เจรันพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันพระหัปที่27ม ก, กราคมพุทธศักราช2554เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมวันที่สาธุชน ผู้มีจิตศรัทธาแน่วแน่ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำความดีมาละบาปและมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้เพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป การทำความดีวันนี้ก็มีเช่นมีการให้ทานทำบุญให้ทานการละบาปก็คือการรักษาศีลการชำระใจก็คือการภาวนานี่คืองานที่พวกเราต้องทำกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะได้มีความสุข และความเจริญมีความแข็งแคร่ปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเพราะความสุขก็ดีความทุกก็ดีความเจริญก็ดีความเสื่มก็ดีเป็นผลที่เกิดจากการกระทำของเราทางกายทางวาจาและทางใจถ้าเราทำบุญทำดีเราก็จะมีความสุข ถ้าเราไม่ทำบาปเราก็ไม่มีความทุกข์ถ้าเราทำละใจให้สะอาดบริสุทธิ์เราก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญได้ทรงปฏิบัติและได้รับผลมาแล้วจนไม่มีที่สงสัยแต่อย่างใดว่าจะมีวิธีการอื่น ที่จะดีกว่านี้วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้แหละเป็นวิธีทีท่ดีที่สุดและเป็นวิธีเดียวเท่นั้นที่จะนําความสุขและความเจริญมาให้และกําจัดความทุกข์ความเสื่อมเสียทั้งหลายให้หมดสิ้นไปตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดในวันตะสสงสาร พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วและได้รับผลที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วจึงด้วยความเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกจึงได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลก mm hmm. เช่นพวกเราทั้งหลาย mm hmm. ได้มีโอกาสที่จะรู้จักวิธีที่จะทําให้เราได้พบกับความสุขและความเจริญ และหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างแท้จริงดังนั้นเราจึงควรมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคําสอนและในพระอริยรสงสาวกทั้งหลายผู้สืบทอดพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้ทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่ อบรมสั่งสอนพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้ถ้าเรามีศรัทธาแล้วเราก็จะมีความยินดีมีความพอใจที่จะปฏิบัติตามมีความขยันที่จะบากบั่นภาคเพียรปฏิบัติมีความอดทนเพราะ การปฏิบัตินี้ย่อมมีความยากเพราะเป็นการฝืนความรู้สึกภายในใจของสัตว์โลกทั้งหลายใจของสัตว์โลกนั้นชอบไหลไปทางบาปชอบไหลไปทางการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นเหมือนกับการว่ายน้าทวนกระแสการปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนการว่ายน้าทวนกระแส ของวัตะสงสารกะระแสของกามะตันหาภาวะตันหาและวิภวะตันหาก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นซึ่งเป็นกะระแสที่จะพาให้สัตว์โลกต้องไปเกิดไปเวียนว่ายตายเกิด ไปแก่ไปเจ็บไปตายไม่มีวันสิ้นสุดพวกเหล่านี้ก็เห็นว่าตายเกิดมานับไม่ท่วนแล้วจำนวนภพชาตินั้นโซองทรงบอกว่านับไม่ได้มันมากเหลือเกินพระอง์ทรงเปรียบเทียบจำนวนของภพชาติคือการเกิดแก่เจ็บตายของเรานั้นถ้าเอามา เอามารวมกันแล้วก็จะเป็นน้ำในมหาสมุทรคือหมายความว่าความทุกข์ที่เราต้องร้องไห้ในแต่ละภพแต่ละชาติต้องหลั่งน้ำตาออกมาแต่ละภพแต่ละชาตินี้ถ้าเอามารวบรวมกันแล้วจะมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรคิดดูกันแล้วกันว่าจะต้องมีภพชาติมากเท่าไหร่ ถึงจะได้มีน้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นและคือจำนวนพบชาติที่พวกเราได้เกิดได้ตายกันมาได้หลั่งน้ำตาได้เจ้าโศกเสียใจได้ทุกข์ทรมานใจมาจนถึงปัจจุบันนี้และก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนา หรือถ้าได้พบแล้วไม่มีศรัทธาการพบกับพระพุทธศาสนาก็ไรไป้ประโยชน์ต้องพบพระพุทธศาสนาแล้วมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามถ้ามีศรัทธาแล้วปฏิบัติตามได้ก็จะพบกับสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐก็คือการสิ้นสุด แห่งการเวียน่หยตายเกิดพบกับประมังสุขขังของพระนิพพานซึ่งมีผู้ที่มีจิตศรัทธามีความเชื่อและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ามาทุกยุคทุกสมัยมีเป็นจำนวนมากท่านนับนี้แลที่เรากราบไหวบูชาในฐานะของพระอริยสมสาวกพระสังฆลัตตนะก็คือ บุทรชนธรรมดาอย่างพวกเรานี้แลที่หลังจากได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาเกิดฉันทะวิริยะที่จะปฏิบัติตามด้วยขันติด้วยความอดทนจนในที่สุดยอได้บรรลุผลอันเปรเอแล้วก็ได้มาทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าต่อไป สืบทอดพระศาสนามาจนถึงยุคปัจจุบันนี้เพื่อให้พวกเราที่มาเกิดทีหลังที่ยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสรับรู้กับพระธรรมอันประเสริฐนี้ได้มีโอกาสได้มีโอกาสที่จะผุดโพให้พ้นจากกองทุกข์เสียทีดังนั้นเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้ว ขอให้เราพยายามปลูกฝังศรัทธาความเชื่อในพระพุทธศาสนาด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนนี่เป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ความเชื่อของเรานี้มั่นคงถาวรถ้าเราไม่ศึกษาพระธรรมคำสอนและปฏิบัติตามเราจะมีความลังเลสงสัยมีความไม่แน่นอน แม่แน่ใจและถ้ามีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วกระทบกับความรู้สึกของเราก็อาจจะทำให้เรามีความเสื่อมศรัท ธ, ธาได้ดังนั้นถ้าเราแต่ถ้าเราได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจารึกไว้ในพระไตรปิฎกแล้วได้มีการนำเอาออกมาเผยแผ่ ในรูปแบบของหนังสือต่างๆหรือในสื่อบันทึกเสียงต่างๆหรือจากพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนได้บรรลุทำแล้วนำมามามาเผยแผ่สั่งสอนถ้าเราศึกษาแล้ว เราก็จะมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงแม้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะทาไม่ให้จะไม่ทำให้เราหวั่นไหวหรือเสื่อมศรัทธาเช่นถ้าพระพุทธรูปที่เรากราบไหว้บูชาถูกผู้ไม่ประสงค์ดี ทำลายไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรหรือหนังสือพระธรรมพระไตรปิฎกถูกทำลายไปหรือพระอริยสงฆ์ถูกทำลายไปเราก็จะไม่มีความเสื่อมในศรัทธาเพราะเรารู้ว่าท่านเหล่านี้เป็นเพียงตัวแทนของพระพุทธศาสนาเท่นั้นพระพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้น ก็คือพระธรรมคำสอนและภาษาศาสดาที่แท้จริงก็คือพระธรรมคำสอนดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าพวกเธอจะไม่อยู่ปราศจากศาสดาหลังจากที่สถาคตได้จากพวกเธอไปแล้วเพราะธรรมวินัยที่สถาคตตัดไวชอบแล้วนี่แลจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไป ดังนั้นถ้าเรามีพระธรรมคำสอนอยู่ภายในใจของเราเราก็จะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเสื่อมศรัทธาเพราะเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นเองถึงแม้ว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัยถูกทำลายไปส่วนเหล่านั้นเป็นเพียงตัวแทนเท่านั้น เช่นพระพุทธรูปนี้ก็เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกหนังสือธรรมะท่างๆก็เป็นตัวแทนคำสอนของพระพุทธเจ้าพระอริยสงสารวกทั้งหลายก็เป็นผู้แทนของพระพุทธเจ้าท่านจะอยู่หรือท่านจะไม่อยู่นั้นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเราได้ศึกษาและจดจำพระธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้าไว้ในใจแล้วและโดยเฉพาะถ้าเราสามารถปฏิบัติตามจนปรากฏมีผลขึ้นมาในใจของเรามีดวงตาเห็นธรรมแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่มีความเสื่อมศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม เพราะเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจแล้วนั่นเองผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนบรรลุมีดวงตาเห็นธรรมก็คือพระอาริยสงฆ์ก็เป็นสังขะนี่เองดังนั้นพุทธธรรมะสังขะนี้จึงไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในใจของผู้ที่ได้บรรลุธรรม ผู้ที่ได้บรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็จะได้พบกับพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะที่จะไม่มีวันเสื่อมไปจากจิตใจได้เลยไม่เหมือนกับพระพุทธรัตนะที่อยู่ภายนอกพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะที่อยู่ภายใต้กฎของอนิจจัง คือมีการเสื่อมหมดไปได้พระพุทธรูปนี้ทิ้งไว้ไม่นานก็จะต้องเสื่อมจะลายกลับกายไปสู่ธาตุเดิมเพราะธรรมคำสอนก็เช่นเดียวกันก็จะต้องมีวันเสื่อมหมดไปหมายถึงพระธรรมในหนังสือก็ดีหรือในสื่อที่บันทึกไว้ต่างๆก็ดี เหลนี้มีความไม่เที่ยง ม, มีความเสื่อมเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับพระสามคุรัตณะท่านก็เป็นมนุษย์มีเนื้อมีหนังที่จะต้องเสือ่อมจะต้องตายไปถ้าเราไม่รู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในใจของเราอยู่ด้วยการอยู่ในใจของเราด้วยการ บรรลุธรรมของเราพอเราศูญเสียครูบาจารย์พระอริยสงฆ์ที่เราเคารพ ก, กราบไหว้บูชาไปเราก็อาจจะเกิดความทอ้อแท้เกิดความเสื่อมศรัทธาที่จะไม่อยากจะมาวัดไม่อยากจะมาปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระดาบแต่ถ้าเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังได้จดจำเอาไว้ แล้วนำาอาไปปฏิบัติและเราจะไม่เราก็จะรู้ว่าที่พึ่งของเราหรือศาสดาของเรานี้อยู่ที่พระธรรมคำสอนนี้ต่างหากไม่ได้อยู่ที่องค์พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระองค์พระอริยสงฆ์แต่อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราต้องพยายามศึกษาจดจาเอาไว้ให้มีอยู่ภายในใจ และปฏิบัติจนกลายเป็นธรรมะขึ้นมาภายในใจถ้าเรามีพระพุทธรัตรนะพระสังฆรัตรนะและพระธรรมรัตรนะอยู่ภายในใจแล้วเราจะไม่มีความเสื่อมศรัทธาในการทำความดีในการละบาปในการชำระใจของเราให้สะอาดโดยสุดและ ไม่นานเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแน่นอนดังนั้นในขณะที่เรามีมีโอกาสมีเวลามีกำลังที่จะปฏิบัติตามได้ก็ขอให้เราอย่าผัดวันประกันพรุ่งอย่าปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้ ผ่านไปโดยไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าเพราะชีวิตของเรานี้ก็ไม่แน่นอนเหมือนกันไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่พรุ่งนี้จะมีหรือไม่สำหรับพวกเรานี้ไม่มีใครรู้อย่างแน่นอนดังนั้นในวันนี้เป็นวันที่เรามีเวลามีโอกาส ขอให้เรารีบปฏิบัติกันรีบศึกษากันให้มากๆจนกว่าเราจะได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาอยู่ในใจของเราแล้วพอเราได้แล้วทีนี้ร่างกายจะเสื่อมจะตายไปก็ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปเพราะเรามีสาระที่พึ่งอยู่ภายในใจใจที่ไม่ตายไปกับร่างกายนี้ใจที่ ถ้ายังไม่ได้ชาระให้สะอาดบริสุทธิ์ก็จะไปเกิดใหม่แต่จะไปเกิดในสุคติคือจะไม่ไปเกิดในอบายอีกต่อไปและจะบรรลุธรรมจะบรรลุพระนิพพานาลหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดภายในไม่เกิดเจดชาติเป็นอย่างมากนี่คือความ ผลอั่นดีที่พวกเราจะได้รับจากการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนอย่างสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องดังนั้นขอให้พวกเราพยายามทํากันความดีวันนี้พวกเราก็มาทําบุญให้ทานการให้ทานนี้ก็มีให้ได้หลายลักษณะด้วยกันเช่นวันนี้ญาณโยมนําเอาจตุปัจจัยไทยธรรม เช่นอาหารข้าวหวานจีวรยารักษาโรคซึ่งเป็นปัจจัยสที่มีความจาเป็นต่อการบำรุงดูแลรักษาร่างกายสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าวัตถุทานวัตถุทานคือการให้วัตถุเข้าของเงินทองต่างๆนี่ก็เป็นทานอย่างหนึ่งการให้อย่างหนึ่ง นอกจากการให้วัตถุทานแล้วถ้าเราไม่มีวัตถุทานจะให้เช่นเราไม่มีฐานะร่ำรวยไม่มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้แต่เรามีวิชาความรู้เราก็ให้วิชาความรู้แก่ผู้อื่นได้เช่นเรารู้จักวิธีทำกับข้าวทาขนมเลียบปักถักร้อยเราก็เอาไปสอนคนอื่นโดยที่เราไม่คิด ค่าตอบแทนก็เป็นการทาบุญให้ทางเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่า <c oughs> วิทยาทาง <c oughs> หรือว่าถ้าเราไม่มีความรู้ทางโลกแต่เรามีความรู้ทางธรรมะเรารู้จากบาบุญคุณโทษรู้จากนารกรู้จากสวรรค์รู้จากคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็สามารถที่จะ ให้ธรรมะแก่ผู้อื่นได้ธรรมะนี้เรียกว่าเป็นธรรมทานให้ธรรมะแก่ผู้อื่นนี้เรียกว่าเป็นธรรมทานผู้อื่นที่ไม่มีธรรมะพอได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วเขาก็จะหูตาสว่างขึ้นเขาก็จะได้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่ดีเช่นคนที่ไม่รู้จักธรรมะนี้มักจะไปทำบา มักจะไปเกี่ยวข้องกับอบายามุกเช่นการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการเสพสุรายาเมาอย่างนี้เป็นเพราะว่าเขาไม่มีธรรมะถ้าเขาได้ยินได้ฟังธรรมะเขาก็จะรู้ว่าการกระทำเหล่า น, านี้เป็นการฉุดกให้เขาไปสู่ความทุกข์ไปสู่ความเสื่อมเสียเพราะอบายามุกนี้ไม่ ไม่สามารถที่จะทำให้เราเจริญก้าวหน้าได้มีแต่จะทำให้เราถดถอยนั่นเองพอเขาได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วเขาก็จะแก้ไขตัวเขาเองได้เห็นโทษของอบายามุขต่างๆถ้าเคยดื่มสุราก็อาจจะเลิกดื่มสุราถ้าเคยเล่นการพนันก็อาจจะเลิกเล่นการพนัน ถ้าเคยเที่ยวกลางคืนก็จะเลิกเที่ยวกลางคืนพอเขาเลิกทาสิ่งเหล่านี้ได้ชีวิตของเขาก็จะดีขึ้นจะเจริญขึ้นไปตามลำดับต่อไปการให้ธรรมะนี้จึงถือว่าเป็นการให้ที่สูงสุดพระองค์ทรงตรัสว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงให้ข้าวของเงินทองเขาก็เพียงแต่ ทำให้เขาไม่ต้องทุกกับการขาดแคลนของปัจจัยสีของร่างกายแต่ใจของเขาก็ยังมืดมนอยู่ให้วิทยาทานก็เช่นเดียวกันความรู้ทางโลกนี้ไม่ได้ทำให้ใจเกิดแสงสว่างขึ้นมาต้องให้ธรรมะต้องให้ธรรมะ เท่า น, นั้นที่จะทำให้ใจนี้มีแสงสว่างที่จะนำพาชีวิตให้ไปสู่สุขติให้ไปสู่การชิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างเช่นในวันนี้ญาติโยมก็ได้มาฟังธรรมฟังธรรมแล้วก็จะได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนหรือสิ่งที่เคยได้ยินมาแล้วรู้แล้ว ถ้าได้ฟังซ้ำบ่อยๆก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นจะทำให้ไม่ลังไม่มีความสงสัยในเรื่องบาปและบุญในเรื่องของผลของบาปและผลของบุญจะไม่สงสัยในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นสิ่งที่พวกเราไม่รู้กันเช่นตายไปแล้ว ใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราที่อยู่ในใจก็จะไปกับร่างไปกับใจต่อไปเพราะใจไม่ใช่เป็นร่างกายเวลาร่างกายดับใจไม่ได้ดับไปกับร่างกายเหมือนกับคนขับรถกับรถยนต์เวลารถเสียคนไม่ได้เสียไปกับรถคนขับก็ยังเป็นคนขับเหมือนเดิม รถเสียรถใช้ไม่ได้คนขับก็สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้เดินไปก็ได้ขึ้นรถใหม่ไปก็ได้หรือซื้อรถคันใหม่ก็ได้ก็ยังสามารถไปต่อได้พวกเราก็เหมือนกันพวกเรานี้อยู่ในใจของเรานี้เองใจก็คือผู้รู้ผู้มีความรู้สึกนึกคิดร่างกายนี้ไม่มีความรู้สึกนึกคิด ร่างกายไม่รู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้อาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือใช้ร่างกายนี้พูดใช้ร่างกายนี้ฟังใช้ร่างกายนี้ดูใช้รับใช้ร่างกายนี้ดืมลิ้มรสต่างๆดมกลิ่นต่างๆแต่ร่างกายนี้ไม่รู้จักรูปเสียงกลิ่นรสไม่รู้อะไรทั้งนั้น เพราะร่างกายนี้เป็นวัตถุเป็นเหมือนไมโครโฟนที่กำลังรับเสียงนี้อยู่ไมโครโฟนนี้เขาไม่รู้ว่าเขากำลังรับเสียงนี้แล้วก็ส่งไปที่เครื่องขยายเสียงแล้วก็ส่งไปที่ลำโพงออกมาเป็นเสียงดังเพราะเขาเป็นวัตถุเขาเป็นเหมือนไม้เหมือนพลาสติกเหมือนสิ่งของต่างๆ ที่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดนี้คือใจใจนี่แหละผู้ที่มีความสุขหรือมีความทุกข์ใจนี่แหละผู้ที่จะเจริญหรือจะเสือ่อมถ้าทำความดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนใจนี้ก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆจนกลายเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆไป ละใจนี่แหละที่จะเสื่อมจะตกต่าถ้าทําบาปทากรรมก็จะเสื่อมจากการเป็นมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสุรกายบ้างไปตกนรกบ้างก็ใจดวงนี้แหละที่จะเป็นไปอยู่ที่การกระทาของใจนี้เองถ้าทาบุญละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุดก็จะไป สู่พานิพาน์ถ้าทำบาปทำกรรมไม่ทำบุญไม่ทำละจิตใจก็จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายทั้งสี่ใจแต่ใจนี้ไม่ตายที่ตายก็คือร่างกายนี่คือความรู้ที่เราจะได้ยินได้ฟังได้เข้าใจได้รับรู้จากการได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วพอเรารู้แล้วเราก็จะได้ รู้จักวิธีดำเนินชีวิตที่จะทำให้เรามีแต่ความสุขและมีความเจริญทำให้เราไม่ต้องไปเสือ่อมไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปนี่คืออานิสงส์ของการได้ยินได้ฟังธรรมะและการให้ธรรมะนี้เองจึงถือว่าเป็นการให้ที่ประเสริฐที่สุด เพราะเป็นประโยชน์มากที่สุดแก่ผู้รับเพราะผู้รับเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วก็จะได้ปฏิบัติตนเองให้ถูกต้องและได้พบกับความสุขและความเจริญที่ตนต้องการนั่นเองแต่ให้อย่างอื่นก็จะได้แต่ความสุขความเจริญทางร่างกายเช่นให้อาหารขาวานให้เสื้อผ้าให้ยารักษาโรคให้ที่อยู่อาศัย ก็จะมีความสุกกายแต่ใจนี้ยังไม่ได้สุกตามใจถ้ายังทําบาปยังมีความโลภความโกรธความหลงก็ยังต้องทุกข์ยังต้องเครียดแต่ถ้าใจได้ธรรมะแล้วใจก็จะไม่ทุกข์ไม่เครียดจะมีแต่ความสุขความสบายตลอดเวลาการให้ธรรมะจะมึงมีคุณมีประโยชน์กว่าการให้สิทธต่างๆทั้งหลาย นี่คือเรื่องของการทำความดีอย่างหนึ่งส่วนการไม่ทำบาป ก, ก็คือการรักษาศีลศีลก็มีหลายระดับระดับแรกก็เรียกว่าศีลห้าคือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตวไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดมดเท็จไม่เสพสารยาเมาดังที่ เราทั้งหลายได้สมาทานเมื่อกี้นี้นี่ก็เป็นการไม่ทำบาปขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งก็คือศีลแปดนอกจากรักษาศีลห้าแล้วยังต้องเพิ่มอีกสามข้อคือไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการร้องลําทำเพลงด้วยการ แต่งตัวช่วยเสื้อผ้าสวยๆ ส, สีสดงดงามหรือด้วยการใช้เครื่องน้ําหอมเครื่องสำอางต่างๆมามาแต่งให้มีความรู้สึกสบาย mm hmm. แล้วก็จะไม่หาความสุขจากการหลับนอนหลับเท่าที่จาเป็นต่อการต้องการของร่างกายคือจะไม่นอนบนฟูกหนาๆเพราะถ้านอนบนฟูกหนาๆแล้วจะนอนมากเกินไป เกินความต้องการของร่างกายถ้านอนบนพื้นไม้แล้วปูด้วยเสือ่อหรือด้วยผ้าก็จะนอนไม่นานพอร่างกายได้พักผ่อนพอที่ต้องการแล้วก็จะเติมขึ้นมาแล้วก็จะได้มีเวลามาทำความดีมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมและมาเจริญภาวนามาชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธ นี่คือศินแปดสินแป น, นี้ศินข้อสารก็เปลี่ยนจากกาเมเป็นอพรร ม, มจาริยาผู้ที่ถือศินห้านี้ศินข้อสก็คือกาเมหมายถึงว่ายังร่วมหลับนอนกับผู้อื่นได้แต่จะหลับนอนกับผู้ที่ได้เป็นคู่ครองของตนเช่นสามีหรือภรรยาเท่านั้นจะไม่ไปหลับนอนกับผู้อื่นแต่ผู้ที่ถือศินแปนี้ ก็จะเปลี่ยนศีลข้อสามจากการเมยเป็นอพรมมจาริยาก็คือจะถือศีลพรหมจรรย์จะไม่ร่วมหลับนอนกับผู้อื่นในในวันที่ถือศีลแ น, นี่คือศีล8แล้วศีลที่มากไปกว่า น, นี้ก็คือศีลของนักบวชเช่นผองภาคพิสุก็มี227ข้อนี่ก็เป็นศีลเหมือนกันหรือของสมัมมเนนก็มีอยู่สิบข้อ นี่คือวิธีการไม่ทำบาปด้วยวิธีต่างๆส่วนการชำระใจให้สะอาดบริสุทธ์ก็ต้องชำระด้วยการภาวนาการภาวนานี้ก็มีสองมีสมถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถาภาวนาก็คือการทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิด้วยการเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่อง ควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื like watch, ่องราวต่างๆให้ใจอยู่ในเหตุการณ์ที่กำลังทำอยู่กำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินกำลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารกำลังล้างหน้าล้างตาก็ให้อยู่กับการล้างหน้าล้างตาไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ให้อยู่กับงานที่กำลังทำอยู่ ถ้าไม่ได้ทำอะไรนั่งอยู่เฉยๆก็ให้นั่งหลับตาแล้วก็ให้ใจมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หรือถ้าจะไม่ใช้ลมหายใจก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้ให้มีสติอยู่กับการบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะสงบลงเป็นสมาธิ พอจิตสงบเป็นสมาธิแล้วก็จะพบกับความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของรูปศียกลิ่นรสของทางตาหูจมูกรินกายถ้าได้พบกับความสุขของสมาธิแล้วก็จะรู้แล้วว่าวินี่คือความสุขที่แท้จริงและจะไม่ปรารถนาความสุขอย่างอื่น เมื่อก่อนอาจจะชอบดูหนังฟังเพลงชอบไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆชอบดื่มชอบรับประทานแต่พอได้พบกับความสุขแบบนี้แล้วก็อยากจะนั่งสมาธิอย่างเดียวจะไม่ชอบออกไปเที่ยวข้างนอกจะไม่ชอบดูหนังฟังเพลงเพราะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายนั่นเองแต่ความสุขแบบนี้ก็เป็นความสุขเฉพาะในเวลานั่งสมาธิเท่านั้น พอออกจากสมาธิมาพอได้เห็นได้ฟังได้ยินอะไรก็จะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาทําให้ความสุขนั้นที่ได้รับจากการนั่งสมาธิหายไปถ้าอยากจะได้ความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธินี้มีต่อไปโดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ต้องใช้การภาวนาขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนา คือต้องทำความเข้าใจให้รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายเช่นรูปเสียงกลิ่นรสว่าเป็นทุกข์ไม่เที่ยมไม่อยู่ภายใต้อำนาจของใครเช่นเห็นรูปได้ยินเสียงก็อย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจเพราะเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาจะดีเขาจะร้ายเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ เพราะถ้าเราไปดีใจเสียใจก็จะทําให้ใจเราขุ่นมัวขึ้นมาทําให้ใจเราไม่มีความสุขไม่มีความสงบแต่ถ้าเรายอมรับว่าเขาเป็นอย่างนั้นเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะด่าเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะชมเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะดีหรือร้ายกับเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้ถ้าเรามองอย่างนี้แล้วเราไม่ไปดีใจเสียใจ เราก็จะไม่มีความทุกข์ใจเราก็จะมีความสุขอยู่ตลอดเวลานี่เป็นการทำความสุขที่ดีที่สุดคือด้วยการเจริญวิปปัจจนาภาวนาคือต้องมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้เราต้องยอมรับเขาเขามาอย่างไรเราก็ต้องรับเขาไปรับรู้แล้วก็ปล่อยวาง อย่าไปแบกอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจอย่าไปรักอย่าไปชางเพราะถ้าเรารักเวลาเขาไปเราก็จะเสียใจถ้าเราไม่รักเวลาเขามาเราก็จะไม่สบายใจแต่ถ้าเราเฉยเฉยไม่รักไม่ชังเขามาก็ได้เขาไปก็ได้เราก็จะไม่ทุกข์ใจไม่เสียใจเราก็จะมีความสุขไปตลอดเวลานี่คือ เรื่องของการมาวัดเพื่อมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาทำดีมาละบาปมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ขอให้พวกเราพยายามทากันไปให้มากๆแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาให้พวกเราได้เห็นกันอย่างแน่นอนไม่มีไม่มีทางเป็นอื่นได้เพราะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลาย ได้พบกับผลเหล่านี้มาแล้วเป็นสักขีพยานเป็นผู้ยืนยันมาแล้วว่าพระธรรมกำจสอยของพระพุทธเจ้านี้ไม่เป็นโมคะอย่างแน่นอนเป็นธรรมที่สมเหตุสมผลเหตุก็คือการปฏิบัติผลก็คือความสุขและความเจริญนั่นเองจึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญมาทำความดีละบาปําละใจให้สะอาดบอยสุด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 ด้วยอายุวันนาสุขภะละโดยทั่วหน้ากันเธอ